น้องๆต่อคุณพระรัตนไกรกาบนลงพเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะครับกาบพระจันยร์แผานนะครับขอกาบขอกาสจากพระจรรท์ทรงศินป์พระจันทร์โนดพระจันทร์สุรินนะครับแล้ก็ขอการต้องเราเพื่อนสาตยมิกครับ เจริญพรไม่ชี่เนาะแล้วก็ยติโยมสังเกตสังเกตร่างกายเนาะพอเวลาที่แบบว่าเราไม่ให้เขาพักอ่ะเขาก็มีปฏิกิริยา <c oughs> เขาจะต่อต้านหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่เขามีปฏิกิริยา บางอย่างที่บอกเราว่าเออเราเราเหมือนกับว่าเราใช้เขาไม่ไม่ปกติสังเกตจากเสียงนะฮะเสียงก็จะเป็นแบบบางทีตอนเช้าแบบสวดมนต์ไม่มีเสียงออกมานึกถึงตอนที่หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่มีเสียงนะคือหลังจาก หลังจากที่ป่วยครั้งแรกตอนปีสี่เก้าเนี่ยหลวงพ่อก็จะแบบว่าใใคล้ายๆจังดจะงดเทศตันเย็ยนผ่านมาสองส3ปีเนี่ยหลวงพ่อจังดเทศตันเย็ยนแล้วก็หลวงพ่อก็วดรับงานไม่ใจว่าน่าจะประมาณปีห้าสองเนี่ยหลวงพ่อเริ่มรู้สึกตัวว่าเสียง ม, มันหายก็ครั้งหนึ่งก็เห็นหลวงพ่อ กตานาะนะคล้ายๆหลวงพ่อเทศไปแล้วก็หลวงพ่อก็อาปากแล้วก็เสียงไม่มีธรรมชาติก็ให้เรางดใช้นะเอาคืนขอคืนหลวงพ่อก็อยอมรับโดยบุตรสณนะแล้วก็พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อเองก็ค่อยๆลดบทบาทตัวเองลงเริ่มจากการที่งดรับนานข้างนอกเพราะว่านั่นคือ ถ้าไม่ใช่ให้หลวงพ่อเทศตอนปีสีอย่างเงี้ยนะก็จะให้หลวงพ่อเทศตอนอื่นก็ไม่มีเสียงรับงานไปก็เสียละอย่างงั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าคือหลวงพ่อเองก็จะคอยสังเกตความเป็นไปของร่างกายเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอนิสงส์ของสิ่งที่หลวงพ่อเทียนทานทก็คือการที่เรา เริ่มต้นจากการดูดูกายตรงเนี้ยเนาะเราดูไปก็จะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึนซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าคือหลวงพ่อหลวงพ่อหลว ง, งพ่อเองหลวงพ่อก็จะบอกบอกว่าอย่างการที่เรารู้สึกตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราโยนกระสอบทรายลงไปในแม่น้ากระสอบทราย ทดสอบแรกเนี่ยเราไม่เห็นนะแต่เขาทําหน้าที่ของเขาแล้วนั่นคือการที่เรารู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่งอันนี้เห็นอันนี้สอนะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ไม่รู้ละแต่ยอมปฏิบัติทำเนี่ยแค่นี้เองก็อันนี้สอมากแล้วสําหรับสำหรับบุคคลคนนั้นเนาะเพราะว่านั่นคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยก็ใจก็ก็ยอมทําตามละแต่ส่วนทําได้หรือทําไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ก็นึกถึงหลวงพ่อเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนั้นก็ได้ยินครั้งแรกเนี่ยก็จากการที่ไปธรรมญาตาิตานั่นปีนั้นน่าอาจจะเป็นปีสี่หกรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ไปวัดวัดหนึ่งมีห้องน้ำห้อง มีห้องน้ำที่ใช้ได้ห้องเดียวมีห้องน้ำสองห้องอแต่ใช้ได้จริงๆห้องเดียวและมีคนอยู่ร้อยคนร้อยกว่าคนนะก็หลวงพ่อก็พูดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็คิดว่าผู้คนที่ได้ยินได้ฟังตรงนั้นก็รับเอาคำว่าครั้งหนึ่งของชีวิตในชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยมาปฏิบัติได้เลยแล้วก็ล้วก็ไม่เห็นคนหน้าบึง้งหน้างอ แต่ว่าตรงนั้นก็คือคล้ายๆว่านึกถึงถ้าหากว่าเราเหมือนกับว่าเรามีใจเนาะมีใจที่จะทำเรื่องดีๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนกับกระสอบทรายที่โยนลงไปในแม่น้ำซึ่งหลวงพ่อบอกว่าท้ายสุดเนี่ยกระสอบแรกเราจะไม่ค่อยเห็นแต่กระสอบสุดท้ายเราจะเห็นเ <c oughs> พระาะนั้นคือถ้าเกิดว่ากระสอบสุดท้ายที่โยนไปแล้วก็ ก็ขวางลำน้ําได้แบบนี้เนะาะอีกนั้นตอนนั้นก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าอย่าลืมอย่าลืมการที่เราเหมือนกับว่าได้เริ่มต้นตรงนี้อย่างเง้ยเนาะอย่างวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมข้ามคืนครั้งแรกในชีวิตของหลายๆคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นความทรงจำเนาะเป็นความทรงจําที่ดีใคร จะอยู่ได้แค่ไหนยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็คิดมาถ้าเป็นครั้งแรกของการปฏิบัติธรรมเนาะที่จะพยายามให้ข้ามคืนให้ได้เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นก็เรียกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นฐานใหญ่หญของของชีวิตอันหนึ่งในลักษณะที่ที่บอกว่าอืครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะ นอนค่มคืนเมื่อไม่ได้นอนค่มคืนใด้การเล่นไพ่บ้างได้การเล่นสนุกสนานอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดไเงี้ยเนาะแต่ว่านั่นคือการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทำคุณงามความดีที่ที่ยิ่งใหญ่เนาะนึกถึงบทความเพียรชอบที่พทธเจ้าได้ให้ไวเนี่ยอย่างการที่บอกว่า ให้เราเพียรละอากุศลกรรมที่เกิดขึ้นนาะใไหมอย่างนี้หรือเนาะต้องกันไม่ให้อากุศลกรรมใหม่เนาะเกิดขึ้นอย่างนี้เนาะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พอเรามาเทียบกับหลวงพ่อเทียนแนะนำให้เรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งรู้สึกตัวครั้งหนึ่งการที่เมื่อกายเคลื่อนไหวให้เอาใจมาคอยรับรู้เนียตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ มันก็ตรงกับในความเพียรชอบตรนั้นนะเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าเรากำลังหลงอยู่เราเริ่มรู้สึกตัวครั้งหนึ่งตรงเนี้เราก็เริ่มเพียรที่จะละอกุศลตะอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คือเรานึกถึงแบบพระพุทธเจ้าเองก็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนะี่ก็เป็นธรรมะที่สั้นๆสั้นๆนะ แต่พอครูบาอาจารย์เนี่ยได้เหมือนกับว่าได้เอามาลองมาทดลองใช้ก็เขาเรียกว่าได้ได้ขยายความออกมาคําข้อธรรมของพระเจ้าก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการปฏิบัติหลวงพระเทียนหรวงพ่อคำเขียนจะเด่นตรงนี้ตรงที่ว่าท่านบอกวิธีการปฏิบัติ ให้เราทดลองดูก่อนหรือว่าม่เหียนจะบอกอยู่ตลอดเวลานะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะลองดูก่อนลองดูก่อนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยพอเราลองดูเนาะเราลองดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่หลวงพ่อเทียนบอกอย่างนี้เนาะหรือว่าเราความเพียรอีกอันหนึ่งก็คือแบบว่าเพียนที่จะแบบว่า ก่อกุศลกรรมอย่างนียนะก็อย่างที่ก็ like มันก็เป็นเรื่องเดียวกันอีกนี่ละก็การที่เราเหมือนกับว่าเราคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งเนี่ยการที่เราคอยรู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งตรงนี้เนี่ยแล้วหลวงพ่อเทีนก็บอกว่าถ้ารู้ว่าคิดเนี่ยก็กลํามาก่อนนะรู้ว่าคิดเนี่ยกลับมาก่อนนะตรงเนี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าในขณะที่เรารู้สึกตัวเนะ เรารู้สึกตัวโดยที่เรายังไม่ได้หลงไปคิดนะตรงนั้นกุศลกรรมก็เกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วพอเราหลงไปคิดก็เนาะเราก็เพียรละอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจะการทําอย่างเดียวจะ ก, การทําอย่างเดียวมันก็ได้ผลหลายอย่างเนาะได้ผลหลายอยางแต่ว่านั่นคือมันก็เป็นเรื่องที่พระทธเจ้าเองท่านก็ได้ให้ธรรมะเอาไว้ซึ่งตรงนี้ยมันเป็นเรื่องที่ก็ต้อง ก็ต้องแบบก็ต้องยอมพุทธเจ้ า, านะเหมือนกับที่เราใช้คําพูดเริ่มต้นว่าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าขอตอ้อมน้ํำต่าวคุ้มคร้าน้ำน้ำอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของพุทธเจ้ า, าอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของพระธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของพระสงฆ์ที่ค่อยๆถ่ายทอดกันมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นกันไปด้วยไม่ไม่ใช่ทีละขั้นหมายถึงว่าทีละยุคทีละสมัยเนาะอย่างเงี้ย คือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าคือข้อธรรมเนาะข้อธรรมมันเป็นข้อธรรมที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสั้นๆเนาะให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าจับใจความสําคัญนั้ น, น, นมาแล้วเราก็เอามาทดลองปฏิบัติดูพอทดลองปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีคําอธิบายออกมาจากผู้คนที่ก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วก็ได้พบรายละเอียดแบบนั้นแบบนี้เนี่ย ออกมาเป็นเป็นรายละเอียดอีกหลายๆอย่างแต่ว่านั่นคือมันอยู่ภายใต้ข้อธรรมนั้นแหละแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ที่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นรายละเอียดอะไรยังไงซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่โชคดีเนาะของเหมือนกับว่าของในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยคือสายหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกับว่ามีการมีการปฏิบัติแล้วก็มีการชักชวนคนเข้ามาปฏิบัติเนี่ย หลากหลายเนาะเขาเรียกว่าคนก็เหมือนกับในรูปแบบในรูปแบบที่เคยเคยพบอยู่เนี่ยแล้วก็เคยทดลองปฏิบัติอยู่พอเริ่มมาปฏิบัติในแนวทางหลวงพระเทียนเนี่ยตรงเนี้ยก็จะพบว่าอือแนวทางของการใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมันเป็นแนวทางที่อันนี้ก็อันนี้ก็พูดพูดตามที่เคยได้ยินได้ฟังมานะแล้วก็ ด้วยโดยตัวเองก็พบว่าเป็นอย่างนี้ก็คือพบว่าการที่เราใช้รูปแบบตัวนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะเอารูปแบบตรงนี้เนี่ยไปใช้กับชีวิตประจําวันเนี่ยได้ง่ายนั่นนั่นคือตรงเนี้มันก็ทําให้เหมือนกับว่าความก้าวหน้าเนาะความก้าวหน้าในการปฏิบัติลุทฐานของการปฏิบัติแบบเดิมๆที่ปฏิบัติอยู่เนี่ย ตรงนั้นก็ต่อได้ง่ายหลวงพ่อเขมเขียนก็เหมือนกันเนาะจะเป็หลวงพ่อเขมเขียนก็เหมือนกับความที่หลวงพ่อเคยเป็นหมอ ร, รมหลวงพ่อก็คล้ายว่าแบบมีสมาธิที่ที่สูงนะเหมือนอย่างที่หลวงพ้าก็เคยบอกว่าบาลิกรรมจนกระทั่งตัวใหญ่ครับห้องนะถ้าตัวใหญ่ไม่ครับห้องก็ไม่เลิกอย่างงี้คือตรงนั้นก็เป็นเรื่องของพลังสมาธิเนาะ นั่นนัคือพอเวลาที่หลวงพ่อมาปฏิบัติในแนวทางของหลวงพ่อเทียนเนี่ยการที่มีพลังสมาธิอยู่แล้วแล้วก็การที่จะเอาสมาธิตัวนั้นมาทำให้เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันก็สามารถที่จะทำให้หลวงพ่อก็ก้าวเข้าไปรู้ธรรมเห็นธรรมได้เร็วตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า คือจริงๆแล้วความเพียรเนี่ยของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยบอกว่าขอให้เริ่มต้นเถอะขอให้เริ่มต้นเถอะพิธีตุกๆยังไงก็ไม่รู้ล่ะนะเริ่มต้นไม่ก่อนเนี่ยแต่ว่าความเพียรตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่านั้นคือมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าต้องต้องเพียรต้องเพียรตามสมควรด้วยนะ คือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าไม่ว่าเราจะดูเหมือนกับว่าคนในโลกนี้ที่ประสบความสําเร็จต่างๆจะเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันจะเป็นอืใครต่างๆนานา น, านักวิทยาศาสตร์จะเป็นแวนโกจะเป็นคุณทวันตัชนีหรืออรงต่างๆนานาเหล่านี้อ<ม>ะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยความสําเร็จที่เขาได้มาเนี่ยเป็นความสําเร็จที่ ประกอบด้วยความเพียรอย่างยิ่งทั้งนั้นเนาะคือ mm. นั่นนั่นคือเหมือนเหมือนกับว่าเขาก็ทุ่มเทชีวิตของเขาเพื่อให้มันเขาก็ไม่ได้ทุ่มเทชีวิตขเขาเพื่อให้มันเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างแต่เขาก็ทําด้วยความรักความชอบอย่างเนี้ยนั่นคือเมื่อเขาได้เพียรทำผลของความเพียรต่วนั้นก็ไม่ไปไหนเนาะไม่ไปไหนเป็นอย่างที่หลวงพ่อใช้คาว่าอาริยทรัพย์เนาะ คือมันก็ติดตัวเราอยู่นะไม่มีใครเอาไปได้อย่างเนี้ยยอ่างคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าพวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันตัวเองก็เหมือนกันเนาะอย่างนี้ยก็มีความรู้สึกว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อยๆก็เป็นเนื่องจากเป็นคน <laughs> เป็นคนที่บวชอายุมากเนาะแล้วก็ความที่เหมือนกับคล้ายๆว่า เราก็อยู่กับกรุงเทพเนาะการทําบุญทําทานหรือแรองตางนานาเหล่านี้ก็เหมือนกับห่างเนาะตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นจุดด้อยเนาะเป็นจุดด้อยเทียบกับอย่างเวลาที่มาอยู่ที่สุขโตเนี่ยถ้าเรามาอยู่ในเขต ท, ที่เป็นเขาเรียกว่าชนบทเนี่ยเราจะเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยมีโอกาสทําบุญทําทานตั้งแต่เล็กอย่างเงี้ย แล้วเราก็มีความรู้สึกว่านั้นหนักมันเป็นฐานที่สำคัญอันหนึ่งคือเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าใกลยๆว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีฐานสะสมเนาะการทำบุญทาทานการรักษาศีลเนาะค่อยๆขยับขึ้นมาทีละขั้นจนกระทั่งเป็นการภาวนาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็เป็นโชคดีเนาะของใครที่เหมือนกับว่ามีฐานขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้น ซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนกับบ้ามันเป็นบันไดที่มั่นคงเนาะเป็นบันไดที่มั่นคงพอเรามาจับการภาวนาจิตใจของเราที่ได้สัมผัสกับก็เรียกว่าความสงบเย็นที่เกิดขึ้นซึ่งหลวงประเทียนก็อธิบายว่าเป็นความสงบจากกิเลสนะเนาะเนื่องจากว่าไม่งั้นจิตใจของเรามันไม่อยู่สุขเนาะเมื่อก่อนนี้พอจิตใจเราไม่อยู่สุขเนี่ยเราก็กลายเป็นคนเหมือนกับ อยู่ไม่เป็นสุขคํว่าอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเดี๋ยวก็ผุดลุกผุดนั่งเดี๋ยวก็เข้าๆออกๆออกออกเดี๋ยวก็ไปโน้นมานี่อะไรอ่างเงี้นานๆยิ่งมองย้อนกลับไปในชีวิตเนี่ยโอ้โหแบบว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนหยุดไม่เป็นคือคำว่หยุดไม่เป็นมันก็ดูเป็นคําสุภาพเนาะแต่ว่านั่นคือจริงๆแล้วคือเราอยู่ไม่เป็นสุขแหะคือมันไม่สามารถที่เราจะอยู่กับอันนี้ได้ อยู่กับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จับแล้วก็วางอ้าเดี๋ยวก็ไปหาอันใหม่อะไรทำเลงตาน่ า, าเหล่านี้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับมีนี่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกจิตใจนะที่มันไม่สงบเนาะพอจิตใจที่มันถูกคล้ายๆว่าถูกความอยากไอน้นู้นความอยากอันนี้เข้ามาเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่พอเหมือนกับชีวิตที่มาเจอหลวงพ่อปุ๊กเนี่ยพอหลวงพ่อบอกว่าอย่าลุกถ้าอยากลุก อย่านั่งถ้าอยากนั่งเนี่ยล้วก็มีความรู้สึกว่าอืม <laughs> เราก็เป็นอย่างนั้นเลยนะ <laughs> ลุกๆนั่งนั่งเนี่ยตามความอยากแล้วก็เอ้การลุกนั่งเนี่ยบางทีเราก็สังเกตเห็นเนาะหมายถึงสังเกตเห็นแต่ว่าก็งงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะว่าเอ๊ะ เราลุกจากตรงนั้นมาตรงนี้ทําอะไรเรายืนจากตรงนั้นเดินมาตรงนี้มานั่งตรงนี้ลงทําอะไรอะไรแบบแต่บางทีก็เกิดความสงสัยแต่บ้านเราก็ไม่ได้หาก็เรียกว่าไม่ได้หารายละเอียดมานั่นคืออะไรยังไงแต่พอเวลาที่หลวงพ่อบอกว่าอืมมันมีเนาะสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดอยู่สองอย่างอันหนึ่งก็คือคิดโดยไม่ตั้งใจกับอีกอันนึงเป็นความคิดโดยตั้งใจเนี่ยพอเวลาที่ เราโอ้ไม่เคยมีคนแย่แยะแบบนี้ให้เรามาก่อนแล้วมันเป็นการแย่แยะที่ง่ายมากเลยอันนั้นนี่คือพอเวลาที่ข้อธรรมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นข้อธรรม ท, ที่อืมแบบมันเป็นการที่แบบศรัทธาในตัวหลวงพ่อเนาะศรัทธาในตัวหลวงพ่อและธรรมดาเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เอามาสังเกตกับตัวเองได้เลยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะ คือข้อธรรมที่ตั้งแต่รู้จักกับหลวงพ่อจนแต่เจอหลวงพ่ อ, อย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านแนะนำเนี่ยคือวิธีการที่เราเนี่ยลองเอามาปฏิบัติดูวิธีการที่เราลองมาปฏิบัติดูแล้วเราก็จะรับรับรู้ผลตรงนั้นได้เลยตรงเนี้ยมันเป็นข้อเด่นที่ทำให้มันเหมือนกับว่า ถ้าเราเห็นหลวงพ่อเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงอะไรเงี้ยเราก็ทําตามที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนซึ่งนั่นคือมันเป็นเรื่องที่หลวงพ่อเองก็ยืนยันอยู่นะว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนก็คือสิ่งที่หลวงพ่อทํำถ้าพวกเราทําตามที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนพวกเราก็จะรู้จะเห็นอย่างหลวงพ่อนี่ละตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คือ คำอธิบายอย่างอื่นหรือคำขยายความอย่างอื่นไม่ไม่สำคัญกับการที่เราได้เหมือนกับว่าได้คอยสังเกตรกริยาอาการของครูบาอาจารย์ที่เราอยู่ใกล้ๆเราได้เห็นในความงดงามของการไปการมาของการลุกการนั่งเลง็ลงตารานาเหล่านี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราก็มั่นใจว่าท่านคงไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นมากกว่าทาเรื่องความรู้สึกตัวทาเรื่องสตินี่ละ ไม่ต้องทําอะไรมากมายซึ่งเมื่อก่อนนี่ก็นึกถึงโอ้ยมันต้องมีการเรียนมารยาทอะไรเยอะแยะไปหมดมารยาทในการลุกการนั่งยังไม่พอนะมารยาทในการหยิบช้อนหยิบซ่อมมือซ้ายจะต้องทำยังไงมือขวาจะต้องทําไง <c oughs> มันมีเรื่องหลายอย่างของมารยาทในสังคมแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่นี่มีเรื่องเดียวที่หลวงพ่อบอกพกใส่กระเป๋ามาก็คือตัวสตินี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนั่นนคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ พอมาอยู่ตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าเราเนะได้เห็นของจริงไม่ใช่ว่ามีคำสอนหรือมีคำบอกเล่าอะไรเฉยๆแต่ว่าเราได้เห็นของจริงได้เห็นชีวิตจริงๆเนอได้เห็นเหมือนกับว่าสิ่งที่หลวงพ่อก็บอกนะบอกว่าอืมของเรามีการปฏิบัติทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเนะเพราะฉะนั้นคือเราก็มองเห็นตลอดเวลานะว่า จะเป็นการขบกันฉันจะเป็นอะไรตานาน่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นความงดงามมาตลอดยอย่างยิ่งตอนที่หลวงพ่อให้คีโมนะครั้งแรกเนี่ยคือคีโมแล้วก็หลังสีเนี่ยมันจะให้บริเวณคอนะมันต่มน้ำลายของหลวงพ่อเนี่ยหยุดทำงานไปเลยหยุดทำงานไปปีกว่า อพอตอมน้ําลายหยุดทํางานนะมันก็ทําให้หลวงพ่อเองก็เหมือนกับว่าช่วยตัวเองด้วยการที่เหมือนกับว่าทํายังไงถึงจะกลืนอาหารได้ง่ายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่าลองนะลองดูก่อนอนทิเช่นลองใช้น้ําแกงนะซึ่งไม่เคยเห็นเลยนะหลวงพ่อก็แบบว่าฉันข้าวคำหนึ่งแล้วก็กรอกน้ําแกงตามคํานึ่งอะไรเงี้ยนะนั่น พอคนเห็นก็บอกโอ้หลวงพ่อชอบหลวงพ่อชอบแกงเนาะก็หาแกงมาให้หลวงพ่อจริงๆไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้ชอบอะไรเลยหลวงพ่อก็ขบฉันไปแบบนั้นยังมีอีกเนะแบบว่าแบบว่าบางทีก็พาหลวงพ่อไปร้านอาหารใช่ไหมแล้วงพ่ อ, อโอ้อาหารนี้แบบว่าส้ ม, ม่ำมินซ่าแซบนะา ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่คือหมายถึงว่าหลวงพ่อเองก็เป็นคนบอกให้สั่งสั่งส้มตํานี่แหละเพราะว่าหลวงพ่อก็ต้องการรสชาติของเขาเนี่ยมากระตุ้นให้ตอมน้ําลายทํางานให้หลวงพ่อเนี่ยได้กลืนอาหารสะดวกอะไรอย่างนี้อันนั้นนี่คือกคำว่าแซกแซมเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันมีการปรุงรสแต่งกลิ่นอะไรต่างๆนานาเล่านี้ที่ช่วยให้หลวงพ่อได้เหมือนกับว่าได้ได้เหมือนกับว่าฉันข้าวได้ แต่นั่นคือไม่ได้ว่าหมายถึงว่าหลวงพ่ออยากอยากที่จะฉันอะไรอย่างนี้อีกก็ไม่ใช่นะอย่างนั้นอะไร น, นีแต่ว่าเพระว่านั่นคือพอเราเห็นภาพแบบนี้บางคนที่มาวันที่สองก็จะซื้อส้มตำมาปากแต่วันลุกขึ้นหลวงพ่อก็ไม่แตะเลยอะไรอย่างนี้นะอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็มันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าหลวงพ่อก็แบบว่าซื่อตรงเนาะซื่อตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันแาบก็บอกแซบ ไม่ใช่ว่ามันแทบแล้วบอกไม่แทบอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ใช่คือนี่คือมันเป็นเรื่องที่อย่างที่เราบอกนะว่าเออเนี่ยพอเวลาที่คนที่รู้ทำเนี่ยเนาะแบบว่าหิวก็บอกหิวเนาะใช่ไหมอยากก็บอกอยากเนาะแต่นั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ได้ทำตามความอยากนะใช่ไหมอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราก็มองเห็น มองเห็นสิ่งต่างๆา น, นานาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะอย่างเวลาที่หลวงพ่อจะฉันอาหารที่เป็นประจำวันเนี่ยหลวงพ่อจะฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำพริกกับผักนะ้อยน้ำพริกที่ทำมาถ้วยหนึ่งเนี่ยก็ถ้วยขนาดนี้นะถ้วยขนาดประมาณสี่นิ้วขนาดนี้นะก็ น, น้ำพริกก็เต็มถ้วยนะหลวงพ่อก็จะแบบหยิบผักขึ้นมาแล้วมันก็จิ้มอย่างรวดเร็วมาก เหมือนกับแตะวิญญาณของน้ำเปลกอะไขึ้นมาแล้หลวงพ่อก็ต้องการแค่นั้นนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าโอ้ต่างน้ำเปลกเป็นกอบเป็นกรรมอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าน้ำเปลกทั้งถ้วยเนี่ยเหมือนกับผ่านมือนั้นไปก็เหมือนกับแคบมองไม่เห็นว่ามีอะไรได้ที่มันหมดลงไปบ้างแต่หลวงพ่อก็อย่างนั้นเท่านั้นจริงๆคือตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราก็มองเห็นนะว่ท่านไม่ได้ติดในรสในชาติแต่ว่าท่านก็อาศัยเนาะก็เรียกว่า อาศัยรสชาติก็รู้รสชาติแนละ้วแล้วก็อาศัยรสชาติตัว น, นั้นเพื่อมาเป็นประโยชน์ในการที่จะเหมือนกับทําให้สังขารมันยังสามารถใช้ได้อยู่ตรงเนี้ยนี่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเราเนี้ยก็ได้มองเห็นแบบนี้ตลอดเวลาหลวงพ่อก็จะเหมือนกับดูแลสังขารเท่าที่เนาะหลวงพ่อสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกับว่า หลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรเนาะในสังขารนี้แต่ก็ค่อยๆพิจารณาเนาะถ้าหากว่าวันนี้หลวงพ่อจะอ่อนแรงลงไปสักหน่อยเนี่ยหลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่ามีประสบการณ์บางอย่างที่หลวงพ่อก็จะบอกบางว่าวันนี้ขอเกลือหลวงพ่อหน่อยหนึ่ง็เลยอย่างเงี้ยซึ่งพอเวลาที่เราตรวจวัดทางทางก็เรียกว่าทางการตรวจวัดของแพทย์แผนปัจจุบันก็วันนั้นหลวงพ่อก็เกลือตาอ่างเนี้ย ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าหลวงพ่อก็ได้สังเกตผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวตรงนี้นะพอสังเกตกายสิ่งที่เป็นผิดปกติไปหลวงพ่อก็เหมือนกับว่ามีประสบการณ์มีประสบะการณ์มากอันนี้ละ่ะแบบนี้คือเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นะนั่นคือหลวงพ่อก็จะแน่นยำ้ำการที่พวกเรารู้สึกตัวในวันนี้เป็นครั้งครั้งเป็นครั้งคร้งตรงนี้เนี่ย ให้พวกเราได้รู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งจริงๆนะเพราะเหลวงพ่าบอกว่านี่เป็นเรื่องรีบด่วนที่สุดนะการรู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องเป็นความจําเป็นจะเป็นเด็กเล็กเป็นผู้ใหญ่อะไรเรก็ตามเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าต้องบอกเรื่องนี้กันก่อนเพราะนั้นคือพวกเราทํากันได้แล้วรีบยังเนี้ยการรู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เป็นปัจจุบัน เราจากเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันเคลื่อนครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งแล้วก็วางไปเคลื่อนครั้งหนึ่งแล้วก็รู้ครั้งหนึ่งแล้วก็วางไปตรงเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราทำทำได้เนาะจากการที่ทําครั้งแรกเราอาจจะทําไม่ได้สิบสีจังหวะมันอาจจะเป็นจังหวะเดียวที่เราก็นับอยู่ในใจด้วยมันเป็นสิสแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นจังหวะเดียวที่มันลื่นไหลต่อกันไปเลยที่หลวงพ่อเทียนบอกว่า อัน น, นเป็นเหล็กเส้นมันไม่ได้เป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยนั่นนั่นคือพอเวลาที่พวกเราทํากันไปนานๆเราก็จะจับเนาะการรู้เป็นครัง้งครัการรู้เป็นครั้งครั้งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันทําให้หลวงพ่อเนี่ยก็ได้รู้ตัวเองเนี่ยเป็นครัง้งครั้งเป็นวันวันวาณขณะนี้เนี่ยร่างกายเป็นยังไงร่างกายต้องการอะไรแล้วก็จนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก เ, เองก็รู้ว่า นี่ร่างกายมันจะใช้ไม่ได้ละนั่นนั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อต้องทำก็คือหลวงพ่อต้องบอกลูกสิกลูกหาเนาะว่าเอากระดาษม า, มาแลวข้อความที่เขียนอย่างอย่างที่ร่างกายมันก็ใช้ได้เท่านั้นจริงๆก็คือมันเขียนแล้วอ่านไม่ออกอะ่ะด้วยด้วยด้วยการที่เรารีบๆอ่านนะแต่เหมือนกับพอค่อยๆแจะเนี่ย หลวงพ่อก็พยายามตั้นตัวหนังสือให้เราอย่างที่สุดแล้วละว่านี่คือร่างกายมันใช้ได้เท่านี้จริงๆแล้วหลวงพ่อก็พยายามบอกข้อความสุดท้ายว่าตรงนี้เนี่ยขอให้หลวงพ่อตายหลวงพ่อก็คิดคําพูดที่มันกระชับเท่าที่ร่างกายสามารถใช้ได้นาที่สุดท้ายอย่างเงี้ยเพราหลวงพ่อใช้เนาะร่างกายในนาทีสุดท้ายเสร็จหลวงพ่อก็วางดินสอวางปากกาเอ๊วางดินสอวางกระดาษยื่นกระดาษให้เรา บางทีสเสร็จแล้วพ้าก็ใช้นางกายพนมมืออีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ยังไม่ไม่อินโออินเอว่านี่คือเซียวินาทีสุดท้ายของหลวงพ่อแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นอีกปั๊บเดียวเท่านั้นเองที่หลวงพ่อก็นอนสบายสบายแล้วก็ตาก็แข็งนิดนึงแล้วก็หลับขอบพับไปซึ่งนี่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเราทาตามหลวงพ่อเนี่ย เราก็จะได้ใช้ร่างกายเนี่ยให้เป็นประโยชน์จนเขาเรียกว่าวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำได้อย่างนี้จริงๆนะการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่การแทนคุณต่อสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่ชีวิตเราได้เหมือนกับเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยก็โอ้สมบูรณ์นักหนาเราอย่างนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยทุกคนได้ใช้ร่างกายของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ นะอย่างที่หลวงพ่อได้ทำมานะแล้วก็อย่างที่ครูบาอาจารย์ได้เพียนเนาะเพียนสอนกันแล้วก็ความเพียนของพวกเราที่พยายามที่จะอยู่ได้ตลอดคืนหรือจะอยู่ได้เท่าที่ความสามารถเราทำได้อย่างที่บอกลองดูก่อนนะลองดูก่อนแค่ไหนที่พระอาจ า, ารย์เทศารบอกลองดูก่อนลองอีกสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเนาะคือความเพียนตรงเนี้ยไม่ไปไหนก็จะเป็นความเพียนที่ พวกเราก็จะได้รับผลตรงนั้นก็คือผลของความตั้งใจที่จะไม่ทุกข์ตรงนี้ก็ขอให้พวกเราได้พบกับความไม่ทุกข์ได้กันทุกคน